ก็ในช่วงเช้าเราได้ฝึกฝนเรื่องการดูแลสุขภาพในการปรับทัาสีนึ่งในสีิประธาน4ีมีอยู่หมดถึงว่ามีอนาปนาสติมีบทใหญ่บทย่อยปทัสสี แล้วก็อาการสายพิษสองอสุภะในช่วงเช้าเราไปทําเรื่องของธาตุสีให้ครบบริบูรณ์ในภาคปฏิบัติส่วนใหญ่เราจ ะ, จะรู้ในทฤษฎีว่าธาตุสีดินน้ําลมไฟแต่ทําดินให้ดีอย่างไรทําน้ําให้ดีอย่างไทําลมให้ดีอย่างไรทําไฟให้ดีอย่างไรนี่เราเราไม่มีวิธีทําั้นเรามาปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยก็จะต้องศึกษาเรื่องนี้ในภาคปฏิบัตินะ ซึ่งในการศึกษาและการเรียนรู้ของเราเนี่ยจะต้องทําให้กายใจของเราดีขึ้นถือว่าจะเป็นการศึกษาที่ถูกต้องแต่ว่าการเรื่องแปลกทุกวันนี้มีการศึกษาดีแต่ร่างกายเจ็บป่วยจิตใจก็เจ็บป่วย ซ, ซึ่งถือว่าการศึกษานั้นไม่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรตัวเองมันช่วยให้มีไรายได้ดีมีความรู้ดี แต่ความรู้และได้จะมีประโยชน์อะไรถ้าสุขภาพเราไม่ดีนะเพราะฉะนั้นสุขภาพกายต้องดีสุขภาพจิตต้องดีแม้แต่นักปฏิบัติทำเหมือนกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพจิตไม่ดีการปฏิบัตินั้นจะมีประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นในทุกคนก็มีข้อผิดพลาดบกพร่องมาเท่านั้นแต่ว่าถ้าเรามีการศึกษามีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเนี่ย ก็จะแก้ไขมาเรื่อยๆมาตั้งแต่ปี3าเกจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ไปกินยาหาหมอคือใช้ใช้สติในการศึกษาเรียนรู้ว่าเราเข้าใจรูปนามเข้าใจไปทําไมบอกให้รู้รูปนามเอมันมีประโยชน์อะไรรูปนามมีประโยชน์ให้รู้รู้กายรู้กายแล้วได้ประโยชน์อะไร ถ้ารู้กายแบบหมอแบบพยาบาลก็ได้ไประโยชน์ได้เงินเดือนใช่ไหมก็เอ๊ถ้าเรานักปฏิบัติทําลู้กายไปเพื่ออะไรรู้รูปไปก็เพื่อที่จัดการให้รูปเนี่ยมันสบายให้มันถูกต้องให้มันมีความสุขรู้นามก็เพื่อจัดการจิตใจให้มันถูกต้องให้มันมีความสุขทีนี้ทําไปปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปจเจริญวิปัสสนาไป ถ้าจัดการกายใจไม่ถูกต้องการปฏิบัติแบบนั้นก็มีประโยชน์น้อยนะดังนั้นเมื่อศึกษาอย่างนี้มามาทำก็ทำให้เป็นรูปธรรมเนียไปตลอดอยิ่งทุกวันในการศึกษาแพทย์สมัยใหม่มีหลายวิธีการหลายแบบหลายแขนงที่เป็นแพทย์ดันสมุนไพรด้านธรรมชาติบำบัด สมุนไพรบำบัดหลายอย่างโยคะบำบัดทมแล้วก็ฝึกไปทาไปเท่าที่ทำได้ก่อนแต่ทำอย่างเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่เบื่อหน่ายเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นจะทำให้เรามีศรัทธาต่อชีวิตแล้วก็มีความเพียรที่ต่อเนื่องนะมีศรัทธาที่จะมีชีวิตนะไม่ใช่มีศรัทธาที่จะมียศถาบรรดาศักดิ์ลาบยศสรรเสริญ มีศรัทธาต่อพระเจ้าไปทรงมีศรัทธาต่อคนนั้นคนนี้แต่ว่าไม่มีศรัทธากับตัวเองแล้วศรัทธานั้นมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นศรัทธาที่จะถูกต้องที่ได้กล่าวไปวันก่อนว่าจะต้องมีเชื่อในการกระทำํำนะการกระทําของตัวเองเราใช้ได้ไหมนะถ้าหากการกระทำของาไม่เชื่อมั่นในการกระทําของเราเองเราก็จะไปเชื่ออย่างอื่นเชื่อคนอื่น แต่ว่าไม่เชื่อตัวเองแต่ถ้าเราเชื่อตัวเองจะเชื่อแบบไหนเชื่อการกระทําของตัวเองว่ากระทําทางกายของเราถูกต้องหรือยังดีงามหรือยังกระทำทางวาจาถูกต้องดีงามหรือยังกระทําทางจิตและกายกรรมวจีกรรมมนุกรรมเนี่ยแล้วก็มาสํารวจเรื่อยๆเอ้ยเราทํายังไม่ถูกต้องนี่นาเพราะอะไรเราพูดยังไม่ถูกต้องนี่นาเพราะอะไรเราคิดยังไม่ถูกต้องนี่นาเพราะอะไร นั้นตัวศึกษาเรื่องสมถะกรรมาฐานเมื่อศึกษาการให้ถูกต้องวิปัสนากรรมาฐานเพื่อศึกษาจิตให้ถูกต้องดันั้นกรรมาฐานจะมีสองอย่างเ ม, เมื่อเราปฏิบัติสมถะกรรมาฐานร่างกายเราต้องดีขึ้นไม่ค่อยเจ็บป่วยไม่ค่อยเป็นโรคภัยไข้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บเราก็มีประสบการณ์เกิดจากการดูแลตัวเองเอาไปช่วยเหลือคนอื่น นะทีนี้เมื่อเราไม่ศรัทธาตัวเองไม่แก้ไขกรรมของตัวเองไม่ได้ก็เไม่มีกรรมว่าศรัทธาไม่เชื่อการการะทาตัวเองอันนี้ไม่ไม่เป็นศรัทธาที่ถูกต้องแล้วเป็นศรัทธาอย่างนะอื่นเพราะนั้นตั้งแต่ทำเรื่องนี้มาก็มาศึกษาว่ามาศึกษาพุทธศาสนาสหน่อยในมิติที่ที่มันถูกต้องนะความเชื่อที่จะไปเชื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ มันก็น้อยลงไปลงหลวงลายคลั้งใครครูบาอาจารย์หลวงลายครั้งใค ร, าาค ร, ใครเรื่องนั้นเรื่องนี้ขอผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้วิเศษหลวงหลังลายครั้งใครเรื่องหยกเรื่องเนื้อรีต่างๆมันก็ลดน้อยลงไปแต่องค์คาไปยบหรือร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากธรรมชาติออกแบบให้มาเราก็จะได้ร่างกายนี้มานะเรามีวิวัฒนาการผ่านวิวัฒนาการจากความเป็นสัตว์ตั้งแต่สัตว์ น้ำสัตว์ครื่งบกครื่งน้ำไปตุนมาหลายล้านปีกว่าจะมาเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบนี้และร่างกายที่สมบูรณ์แบบนี้กว่าจะได้มาก็ต้องผ่านความพิกลพิการผ่านโรคภัยไข้เจ็บผ่านความบกพร่องทางด้านอะไรต่างๆมาหลายภพหลายชาติจุดเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดนะมีสติปัญญามีร ะ, ะบบประสาทนีระบบอะไรต่างๆที่ซับซ้อนมากชนิดที่ว่า คอมพิวเตอร์เป็นร้อยเครื่องพันเครื่องก็สู้ร่างกายของเราไม่ได้นะโรอ บ, บอทหรือหุ่นยนต์เป็นร้อยตัวพันตัวก็สู้ร่างกายไม่ได้ทะ้นนั้นเองเราทําไมไม่ดูแลรักษามันให้ดีที่สุดเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดมีค่าขนาดไหนอวิวัตส่วนใดส่วนหนึ่งของเราเนี่ยถ้าใครมาถามซื้อเอาดือด้อๆเนี่ยวันนี้ไม่มีเงินชาเนี่ยขอขายนิ้วก้อยสักนิ้วหนึ่ง โอ้งคิดหนักเงินนะตเป็นนี้เขาเป็นล้านนะี่ขอตัดข้อมือนี่ขายไปก่อนนะเพื่อแลกเงินร้านมาใช้นี้คิดหนักนะขอซื้อแขนข้งนี้สักสิบล้านนี่ขายไมก็นะคิดหนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นร่างกายขงเราจะมีมีประโยชน์มีคุณค่าต้องดูแลรักษาการที่ทำให้ร่างกายสำรุดเสียหายหเจ็บป่วยเนะี่ยเราก็ไปโทษวิบากกรรมชาติโน่นแต่ไม่ได้โทษการอยู่การกินการ ดูแลร่างกายไม่ไดูด้านอาหารการกินออกกําลังกายการขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแลเรื่องนี้แต่ไปโทษวิบากกรรมแล้วกรรก็แก้ไขไม่ถูกไปเสียเคสเดาะโชคไปต่อชะตาไปทําสังฆทานไปทําสารพัดอย่างแต่ไม่ไม่กลับมาดูการกระทําของตัวเองคือไม่เชื่อกรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการเจริญสติการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญา ก็คือการดึงจิตกลับเข้ามาสู่ตัวาการดึงจิตกลับมาสู่ตัวนี้ก็เริ่มต้นที่จะรู้จักตัวเองเพราะตลอดพบชาติกับการหลายหมื่นหลายแสนชาติที่ผ่านมาเรามีแต่ติดของเราพุ่งออกไปนอกตัวแต่จะกลับเข้ามาในตัวกลับมาดูที่เปลือกเราเป็นใครลูกเต้าเราใครเป็นฐานะอะไรเป็นคนรว ย, ค น, ค, นยคนจนดูไปแบบนั้น ไม่ดูดูว่าเราประกอบด้วยอะไรร่างกายเราประกอบด้วยอะไรแต่แชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นมานนมันเป็นอย่างไรเราไม่ดูอย่างนัน้นนั้นว่าเรามาศึกษาสมรรคาคือรักษาชีวิตในส่วนกายวิปัสสนาศึกษาชีวิตในส่วนจิตจําเป็นต้องมีทั้งสองอย่างนี้นั้นเวลาเโยกมือสร้างจังหวะเนี่ยถ้าเรามือที่ยก แขนที่ยกเนี่ยเป็นส่วนกายรู้ว่ายกเป็นส่วนจิตทีนี้ถ้าหากว่าเราแยกไม่ออกเรายกมืออันไหนกายอันไหนจิตอันไหนรูปอันไหนนามอันไหนสมถาวิปัสนาเราก็แยกไม่ออกเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่สุดเราจะต้องรู้ว่ากายในส่วนที่เป็นธาตุคือได้แก่เป็นดุ้นเป็นแท่งเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเลือดเป็นเอ็นเป็นเส้นเป็นขนเป็นเล็บ เรียกว่าอาการ32นี่อาการของธาตุแต่ในตัวรูปที่เป็นดุ้นเป็นแท่งเนี่ยเรารู้ว่ามันมีอยู่เพราะมีตัวเวทนานะตัวเวทนาคือรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงได้นะเพราะฉะนั้นตัวเวทนามันก็เริ่มเข้าเขตของนาำลนะเขตของน้ำมีรูปรูปนี้จะ มีความหมายก็มีนามเราก็มาศึกษาเรื่องเวทนาไปสองสมวันละเพราะมันเป็นส่วนสําคัญและเวทนานี้มันแสดงอาการของรูปออกมาเป็นลักษณะเย็นล้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงเย็นล้อนอ่อนแข็งตึงเกิดมาเพราะอะไรเพราะกฎของธรรมชาติอันหนึ่งที่เรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตต า, ามันจึงทํางานเพราะอาศัยตัวเวทนา ถ้าไม่อาศัยตัวเวทนาเป็นตัวเชื่อมเนี่ยอ น, นิจจังทุกขังอัตตก็ทํางานไม่ได้ในแง่ของรูปกับน้ำแต่ถ้าหากว่าเป็นรูปอย่างอื่นอันนี้เป็นอ น, นิจจังทุกขังอัตตาในตัวของมันไหมเป็นนะมันก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมไปสลายไปหายไปเหมือนกันแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ระมันไม่รู้แต่มนุษย์ได้รู้ว่าอาการเกิดขึ้นเมื่อมันไม่รู้แล้วมันจัดการ Therm ตัวเองมันไม่ได้ เดียวว่าแต่กระดาษมันไม่แต่สัตว์อันนี้สัตว์ทั้งหลายมันรู้ว่ามันเจ็บมันป่วยมันตายแต่มันไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงแก่ถึงเจ็บถึงตายแต่มนุษย์เรารู้เพราะฉะนั้นจึงมีตัวรู้ขึ้นมานี่เองนะจากตัวที่มันเป็นไปตามอาการของเว้จะมีตัวรู้ขึ้นมาเรียกว่าสัญญาใช่ไหมสัญญาว่าอาการนี้เจ็บนะอาการนี้ปวดนะอาการนี้ตึงนะอาการนี้ไหวนะอาการนี้สุขอาการนี้ทุกข์เรียกว่าสัญญา แล้วก็ไปจัดการในส่วนที่ไม่ต้องการออกไปเราเรียก ว, ว่าสังขารสังขารแล้วก็รับความรู้ต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้รับรู้เข้ามาเป็นวิญญาณ <f> ก็เรียก ว, ว่าขันห้าในส่วนที่เป็นกายเพราะขันห้ามีขันหมีสองอย่างขันห้าในส่วนที่เป็นกายและขันห้าในส่วนที่เป็นจิตสันห้าในส่วนที่เป็นรูปและขันห้าในส่วนที่เป็นนาม ขันห้าในส่วนที่เป็นรูปก็คือรูปจริงๆนี่แหละรูปของกายของธาตุจริงๆเวทนาก็คือความเย็นแล้วอ่นอนแข็งเจ็บ ป, ปวดจริงๆนี่แหละสัญญาก็คือจำ e, ได้หมายรู้ว่าอาการอย่างนี้เจ็บอาการอย่างนี้ปวดอาการานี้สบายอาการก็เป็นสัญญาสังขารก็คือมันก็ปรุงแต่งไปตามนั้นปรุงแต่งให้เป็นอาการอย่างนู้นบา้างอันนี้บ้างไปเรื่อยๆปรุงแต่งให้เป็นเจ็บให้เป็นสบายไม่สบายปรุงแต่งให้เป็นร้อนเป็นหนาว เป็นหิวในร่างกายเนี่ยเฉพาะร่างกายเนี่ยแล้วก็รับรู้สิ่ง ท, ที่ต่างที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นท่าใจเข้ามาเราเห็นรูปเขาเป็นรูปนั้นรูปนี้รูปผู้หญิงผู้ชายก็เป็นรูปจริงๆอย่นแหละก็เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารในส่วนที่เป็นรูปหรวอเป็นกายทีนี้มาดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณที่เป็นใจบ้างรูป ในส่วนที่เป็นกายคือเป็นสิ่งที่ตาสัมผัสได้แต่รูปในส่วนที่เป็นนามที่เกิดกับนามเนี่ยได้แก่รูปอะไระรูปของความคิดแล้วอิมเมจขึ้นมาใช่ไหมมินเทอรฟอร์มเชั่นมันก็สร้างความคิดขึ้นมาสร้างอิมเมจขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาอันรูปและเรารู้สึกต่อรูปนั้นอย่างไรสมมติเราคิดถึงคนที่เรารักพ่อแม่ของเรา คิดถึงเขาแล้วก็เกิดเวทนาคือรู้สึกเป็นไงชอบคิดถึงคนที่เราไม่ชอบก็รู้สึกไม่ชอบคิดถึงศัตรูคิดถึงคนที่เราไม่รักไม่ชอบความรู้สึกนี่ไม่ใช่ความรู้สึกทางกายแล้วใช่ไหมความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบความรู้สึกสุขหรือทุกนี่เป็นขันห้าทางจิตแล้วแล้วก็สัญญาสัญญาความจำทางกาย มันมีจำกั ด, ดว่าสัญญาในขันหนะ้าน่ะมันมีจำกัดแต่สัญญาในขันห้าของนามของจิตเนี่ยมันจำได้ว่าอาการของความเจ็บทางกายเนี่ยมันไปก่อให้เกิดการไม่สบายทางจิตด้วยอาการของสบายทางกายมันก่อให้เกิดรู้สึกความชอบ เพืสบายทางจิตด้วยความรู้สึกชอบจึงไม่ชอบจึงเป็นสัญญาของนามแต่คนรู้สึกสบายไม่สบายทางกายเป็นสัญญาของรูปตรงนี้ให้ชัดก่อนทีนี้การปรุงแต่งทางกายคือออกมาเป็นเ <c oughs> <c oughs> ย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึ ง, งต่างๆของร่างกายใช่ไมมันไม่สบายทางนามคือตัวรู้สึกทางนามเนี่ยออกมาในรูปอะไร รูปของความ <c oughs> ชอบไม่ชอบความเกลียดความโกรธความขุนม่นโมโความเศร้าหมองอะไรต่างๆแล้วก็สัญญามันไปจำออามานะไปจําออกมาเช่นไปจำออกมานั้นคนนั้นว่าเราคนนี้เกลียดเราคนนั้นยกย่องเราคนนั้นสรเสืิญเราพอไปนึกถึงแล้วก็นึกเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในรูปที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็แล้วก็คิดไป คือคนนี้ไม่ชอบเพราะอะไรมีปัญหาอะไรคนนี้เรารักเราชอบเพราะมีอะไรปัญหาอะไรแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาแต่งเพื่อจะให้เกิด <c oughs> ตัวรับรู้แล้วก็วิญญาณทางนามกับวิญญาณทางรูปต่างกันยังไง <c oughs> วิญญาณทางรูปทำให้ตาเราเห็นหูเราได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสแล ะ, ะความรู้สึก <c oughs> อนั้นจึงมีตัวร่วมกัน คือตัววิญญาณทั้งรูป ก, กับทั้งนามมีตัวรวมว่าการรับรู้ทางนามหมายถึงบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบโดยที่ไม่ต้องมีการสัมผสัสทางต่างหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมมันสร้างความชอบไม่ชอบขึ้นมาเองสร้างความโกรธเกลียดเครื่องขูดขึ้นมาโดยไม่ต้องมีเรื่องมันมาสัมผัสต่างหูจมูกลิ้นกายแต่มันสร้างมันเองเรารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในจิตโดยที่ไม่ต้องมีการสัมผสัสทางอายตนะทั้ง5 แต่ว่ามันสร้างสุขสร้างทุกข์ขึ้นมาได้เองนี่คือเรื่องวิญญาณทางนามนะเพราะนั้นให้รู้ว่าตัวขันห้าทางรูปทําหน้าที่อย่างนี้ตัวขันห้าทางนามทําหน้าที่อย่างนี้ทีนี้ขันห้าทางรูปจะมีผลต่อนามอาศัยอะไรหมายความว่าเจ็บก า, กายก็เจ็บใจด้วยสบายกายก็สบายใจด้วยเพราะอาศัยอะไรตัวรู้ไม่เท่าทันคืออวิชชาใช่ไหมอ่า แต่ถ้าหากว่ามันมีวิชาขึ้นมาเราปวดกายก็ไม่จําเป็นต้องปวดใจเราเจ็บกายก็ไม่จําเป็นต้องเจ็บใจเราทุกกายก็ไม่จําเป็นทุกใจเพราะมีตัวอะไรตัวเรือตัวต ว, วิชาหรือตัวสติเป็นตัวกั้นอยู่เพราะฉะนั้นคือมาสร้างตัวนี้ยังไงสร้างตัววิชาแต่วิชาตัวนี้เพราะร่างกายเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของไตรลักษณ์ แต่ว่ากฎของไตรลักษณ์ทางรูปไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นสร้างกฎไตรลักษณ์ของทางน้ำได้เพราะอาศัยตัววิชาหรือตัวรู้สึกตัวถ้าคนที่ไม่ปฏิบัติวิปัสนาไม่ปฏิบั ต, บติให้เกิดความรู้สึกตัวเนี่ยจะทำอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจึงเป็นทุกข์โดยทั่วไปเกิดมาเท่าไหร่ทุกเท่านั้นอเกิดมาเท่าไหร่ทุกเท่านั้นทุกทั้งกายทั้งใจ แต่หลังจากที่เราได้สดับคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้สรกแล้วก็เอามาสอนพระพุทธเจ้าค้นพบตัวนี้เองค้นพบวิชาแต่ก่อนหน้านั้นมีไม่มีวิชาแต่ว่าไม่ใช่วิชาตัวนี้เป็นวิชาเรื่องอื่นวิชาธรมาหากินวิชาเกษตรวิชากฎหมายวิชาแพทย์ว่าไปวิชาทางเกี่ยวกับทางรูปแต่วิชาทางนามเนี่ยก็คือมารู้จัก นามรู้จักจิตวิชาทางรูปก็รู้เรื่องรูปแต่วิชาทางนามวิชาทางรูปทำให้เราไม่รู้สึกเดือดร้อนลำบากป้องกันตัวเองได้ไม่ให้ทุกข์ทางกายได้แต่ใจยังเป็นทุกข์อยู่นะเพราะนั้นเราก็ต้องมาเรียนวิชาอี ก, กวิชาหนึ่งวิชาทางนามวิชาทางรูปนี่ขบวนการมันเยอะแยะนะแต่วิชาทางนามเพราะนั้นเรามีเราเราเนศึกษากเรามีสิบขบวนการใช่ สิบกระบวนการยังจําได้ไหมกระบวนการที่หนึ่งคืออะไรที่จะทําให้เกิดวิชาตัวนี้หนึ่งต้องมีอะไรในบนกระดานในบนกระดานเนะมีการยานามิตรนะเออนั่นแหละในการยานามิตรคือต้องพบการยานามิตรการยานามิตรแปลว่ามิตร ด, ดีแต่มิตรดีในตัวนี้ไม่ได้หมายถึงกู๊ดเฟรนนะไม่ได้หมายถึงกู๊ดเฟลนแต่หมายถึงสปิริตเฟลนโนบลเฟลนคือมิตรผู้ประเสริฐ มิตรผู้เปินศิธิ์ต้องมีคุณสมบัติ7ประการอันนี้ดูว่าเป็นกิริยามิตรหรือไม่นะต้องตัดสินด้วยเประการนี้หปิโยน่ารัก 2. องอน่าคา ร, รุภานิโยสามน่ารักน่ า, าภาวนิโยนะ น้าคารบสมีความสามารถในการฟังอย่างลึกซึ้ง <c oughs> คำภีระสวรีอยูห้ามีความสามารถในการอธิบายความได้อย่างลึกซึ้งไม่ว่าอยากละเอียดในเรื่องนั้นหกมีอะไรมีการฟังอย่างลึกซึ้งมีการ 6 ก, ก็คือไม่แนะนำในทางที่ไม่ชักนำในทางที่ผิดเลี้ยงใหม่นะหนึ่งนารักสองน่ายกย่องสองน่าเคารพสามน่ายกย่องสี่มีความสามารถในการฟังคือรับฟังในปัญหาได้ทุกอย่างฟังอย่างลึกซึ้งฟังอย่างพอใจนะมีความสามารถในการอธิบายอย่างลึกซึ้งแล้วก็ ไม่ชักนําในทางผิดอันที่อันที่หกนี่อะไรอ๋อมีวาัฏาสินมีวาัฏาสินคือหมายก็มีวัจณโยูอ่าวัจณียหมายถึงว่าสามารถอธิบายให้ส่วนที่เป็นนามธรรมเนี่ยเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ซึ่งเป็นนามธรรมในตามปฏิมิสิวแต่อธิบายให้เป็นเห็นเป็นรูปธรรมได้อันนี้ก็คุณสมบัติของ อกระะารยนตมิตรนะมี <c oughs> น่ารักน่าเคารพน่าเคารทษดน่ายกย่องอธิบายอะไรได้สุขุมแล้วตั้งใจฟังเราอย่างดีแล้วก็มีวาทศิลแล้วไม่ไม่ชักนําในทางที่ผิดนาะธานานานิโยนะหรืออวัชนาธานิโยไม่ชักนําในทางที่ผิดนะอันนี้เป็นเป็นมิตรที่ดีที่สุดของเราเราก็แสวงหามิตรเหล่านี้ เมื่อมีกระไดนมิตรแล้วเนี่ยท่านก็ประกอบขึ้นมาอีกสองตัวก็คือกริยาณะสหายนะกริยาณะสหายหมายความว่าเราได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังเนี่ยจากการะไดนมิตรแต่ในขณะเดียวกันก็มีเพื่อนที่ให้กําลังใจเราอย่างในที่นีเรามาปฏิบัติร่วมกันเนี่ยถือว่าเป็นกริยานะสหายปฏิบัติในทางเดียวกั น, น, กนแล้วก็เข้าใจในทางเดียวกันพูดกันรู้เรื่อง ไม่มีอะไรมาขัดแย้งถกเถียงกันเนี่เป็นกิริยาณสหายแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีกิริยาณสัมปวังกตตาด้วยก็คือมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่มีกี่อย่างมีสี่อย่างท่านใช้ว่าส ป, ปายะหนึ่งอว่าส ป, ปายะสถานที่เราปฏิบัตินี่เป็นไงสงบสงัดวิเวกไม่มีอะไรรบกวนนะถึงแม้ว่าตรงนี้จะอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าไม่มีเสียงลดเสียงลาเสียง หมูม้ากาไก่เสียงชาวบ้านเสียงอะไรต่างมารุกวนเรียกว่ า, าวัสดสปะยะเหมาะแก่การภาวนาอันที่สองมีอาหารไั้ปะยะทานแล้วก็วิสึกธาตุไม่กำเริบไม่ปวดท้องไม่เป็นอาหารที่เบาสบายทานแล้วก็ภาวนาได้ถึงจะมีง่วงบ้างก็นิดหน่อยใช่ไหมบางคนไม่ง่วงเลยสองก็มีอาหารไั้ปะยะสามมีอะไร มีปุคระส ป, ปายะหมายเขาคนที่มาเกี่ยวข้องเราเนี่ยคนเข้าคนออกนี่ก็มาในฐานะเป็นมิตรทั้งนั้นไม่มีไม่ต้องระแวงว่าขโมยจะเข้ามาใครจะมาเล็กเล็กขโมยน้อยใครจะมาป้นมาชี้มาเบียดเบียนมาฉกชิงวิ่งลาไม่มีก็รู้สึกความปลอดภัยเดือปุคระสปายะอันที่สธรรมะส ป, ปายะวิธีการที่เราปฏิบัติเนี่ยรู้สึกเออมัน เข้าใจได้ธรรมสปประสปายะแล้วก็สิ่งที่พูดเนี่ยเข้าใจได้ไม่ไม่มีอะไรต้องให้เกิดข้อสงสัยงุนงงหรือไม่มีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกสับสนวุ่นวายอึดอัดขัดเคืองไม่มีฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วนำไปปฏิบัติไดเรรปปะะเ้เรียกว่าธรรมะสปายะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมเรียกว่ากายานสัมปวังกตาคืออาหารสปายะอาวาสปายะ อุคราศปายะธรรมาศปายะมีสีกริยามิตรมีเท่าไหร่นะมีเจ็ดกริยนานสัมปวังกตามีกริยธรรมนสหายนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะไม่ต้องลงรายละเอียดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ยก็ประกอบกันไปเพื่อแต่มันก็คล้ายเป็นหลักวิชาการแต่ว่าไม่ใช่ได้ทั้งหมดรวบยอดว่าคือมันดีสะดวกสบายแค่นั้นนะพอนะ ทำให้ไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคและปัญหาพูดถึงว่าเราจะต้องการได้วิชารู้ระหว่างรูป ก, กับนามเนะี่ยไม่เบียดเบียนกันได้อย่างไรและวิชาตรงนี้รวบรวมทั้งหมดมีสิประการได้กล่าวไว้เมื่ก่อนแต่ในรายละเอียดต่างๆนึงพ่อจะให้ทีหลังแต่ตรงนี้แค่เอา ก, าะกระยาณมิตรก็พอเพื่อยกมาเป็นประเด็นว่าตัวรู้คือวิชาเนี่ยไม่ มันก็มีรูปรวมอย่างอื่นคอนเทนต์อย่างอื่นเข้าไปเยอะแต่เอามาใช้ง่ายๆก็คือตัวรู้สึกตัววิชานมันตรงข้ามกับวิชาคือไม่รู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวอยู่เราก็เข้าไปดอูอันนี้จังทุกขังอันตราของรูปเข้าไปสู่นามตอนแรกเนี่ยมันก็เข้าไปเล็ดลอดเข้าไปโดยพรอสติ คือวิชาของเรายังไม่เข้มแข็งใช่ไหมพอเราทำมากเข้ามากเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเริ่มมีความเข้มแข็งมีความแหลมคมมีความละเอียดมีความผีท่ทุ่นก็เริ่มบอกว่าอะไรความรู้สึกทางกายอะไรเป็นความรู้สึกทางจิตอะไรเป็นขันท้าทางกายอะไรเป็นขันท้าทางจิตเริ่มแยกออกใช่ไหมเพียงง่ายๆว่าเมื่อเนี่ยแปดสเซนต์ย ม, มันไม่ค่อยสบายหรอกใช่ไหมมันไม่ค่อยสบายหรอกแต่มันจะสบายแป๊บเดียว แค่พลิกไปแค่ไม่ถึงนาทีมันก็เริ่มไม่สบายกันแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่เราต้องระวังมากที่สุดคือตัวไม่สบายเรียกว่าอะไรทุกขเวทนาทางกายใช่ไหมที่เราต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นที่เราดิ้นเราลนเราเคล่อนเราไหวเราไปเรามาเราพลิกเราเปลี่ยนเนี่ยเพื่อบําบัดทุกขเวทนาเรากินเราดื่มเข้าห้องน้ําอาออห้องน้ําอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อบําบัด ทุกเวทนาเท่านั้นก็อาศัยการเข้าไปบำบัดทุกขเวทนานี้ให้เกิดวิชาเมื่อก่อนการบำบัดทุกเวทนาะต่างๆเป็นไปด้วยอะไรอาวิชาโดยสัญชาติญาณใช่ไหมแล้วไม่ก่อให้เกิดวิชายิ่งเพิ่มอะไรเพิ่มอวิชาตรรหาอุปทานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะเราทําตามตัวสัญชาติญาณคืออวิชาเมื่อผพ้ทีเจ้าเราบอกว่าเอา้ามันสามารถที่เกิดเป็น วิชาได้นี่ทำอย่างไรก็คืออาศัยการบำบัดทุกอย่างมีความรู้สึกตัวนั่นเองเมื่อเรารู้ว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของสัมพัสัตเป็นภัยใหญ่ของชีวิตเราก็จะต้องบำบัดมันแทบตลอดเวลาตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงนะแม้แต่นอนบางครั้งเราก็พิกซ้ายพิกขวาพิกหน้าพลิกหลังใช่ไหมเพื่อมันยังรู้สึกได้ถึงเวทนานะทางกายด้วยทาง จิตก็มีเวทนาบางทีฝันดีฝันร้ายขึ้นมาก็เกิดเสวยเวทนาไม่แค่ทั้งหลับใช่ไหมมันก็ทั้งบางครั้งนอนร้องไห้ก็ยังมีเลยใช่ไหมฝันร้ายถูกหมาไล่กัดถูกช้างไล่เหยียบอย่างงี้เนี่ยนระ้องไห้แล้วมือเพือพกไปล่นห้องเลยก็ทีนี้มีอินก็มานอนในศาลารวมกันเอามาตื่นขึ้นมาดังดึก ได้ยเสียงมึงเนนทําไมมารับโทรศัพท์กลางคืนไม่จบสักทีนะก็จะไปดุเนนก็บอกอ่ะไม่ตื่นขึ้นมาช้าเนนทาไมไม่ปิดโทรศัพท์อ่ะอ้าวผมไม่มีโทรศัพท์หลวงพ่ออ้าวทำไมคุณรับโทรศัพท์เนนอีกองค์ว่ามันเริ่มเมอหลวงพ่อว่างอ้าเรามือทําไมพูดได้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างยาวเลยนะอันนี้เห็นไหมแม้แต่กระทั่งเราหลับเรามันยังไม่ปลอดภัยจากทุกวิถีนาเลยอ้าวเมือเพล่พกไปตามนั้น ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีวิชาเนี่ยร่างกายของเราที่มันสั่งสมเวทนาทั้งวันถ้าเราบำบัดมันด้วยอวิชาคือสัญชตาตญาณมันก็จะไปสั่งสมเป็นอวิชาของนามของจิต ด, ด้วยใช่ไหมดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเข้าไปบำบัดเวทนาให้เป็นกลางและให้เป็นละเอียดเพื่อเราจะอยู่ได้สบาย แต่การที่จะไปจัดขจัดกับเวทนาต่างๆเนี่ยทำด้วยวิชาหรืออวิชาถ้าทำด้วยอวิชาหมายความว่าไตรลักษณ์ที่มันอยู่ทั้งรูปก็จะไหลไปทำลายน้ำด้วยเราจึงมาเจริญวิชาคือเจริญความรู้สึกตัวให้มากเพื่อที่เป็นฉนวนเป็น insulation ป้องกันระหว่างความทุกข์ที่มันเกิดกับรูปที่จะไม่ไหลไปบังคับน้า โรคที่มันเกิดกับกายมันจะไม่ไหลไปทําร้ายจิต <c oughs> <c oughs> นะเชื้อโรคต่างๆเชื้อโรคทางกายเขาเรียกว่าโรคนั้นโรคนี้ใช่ไหมแต่เชื้อโรคทางจิตแล้วเรียกว่าอะไรเรียกว่ากิเลสนะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกีตากูลก็ตามเรา่าเชื้อโรคนั่นเองมันก็จะไม่ต่อนั้นมาดังนั้นวิชาตัวนี้ความรู้สึกตัวทีนี้จะอ่า แหลมคมจะลึกซึ้งจะละเอียดมากขนาดไหนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเรานะว่าเราจะมีวิธีที่ ท, ที่ที่จะพัฒนาให้มันละเอียดแค่ไหนถ้าระดับต้นๆเรียกว่ารู้เบื้องต้นพอแก้ไขนั้นห ย, ยาบๆก็เรียกว่าสติพอรู้เวทนาทุกเวทนาที่เกิดทั่วตัวไปอีกหน่อยเรียกว่าสัมปชัญญะ แล้วเราเข้าไปรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆโดยที่ไม่ละไม่ทิ้งเรียกว่าสมาธิตัวสตินี่แหละมันพัฒนาตัวมันไปเรื่อยๆโดยสติพัฒนาเป็นสัมปชัญเป็นสมาธิแล้วรู้จักวิธีแก้ได้อย่างชัดเจนทุกครั้งที่มันเกิดมีวิธีแก้ได้แบบรอบตัวทั้งกายทั้งใจทั้งลมทั้งน้ำได้ด้วยเรียกว่าสติพัฒนาเป็นปัญญานะ แล้วสามารถแยกความทุกข์ที่มันไหลเข้าไปสู่จิตแล้วเนี่ยออกได้เรียกว่ายานนะแล้วก็เห็นแจ้งด้วยว่าไอ้กิเลสหรือเชื้อโรคประเภทไหนที่แหลเข้าสู่จิตแล้วมันมีความเป็นมาอย่างไรมันแผ่ขยายขึ้นมาอย่างไรลักษณะ อ, ะอาการต่างๆที่ออกมาที่ใช้คําว่ากิเลสต่างๆเนี่ยนะอวิชชาตัณหาอุปาทานอ ะ, อะไรล่ะตัวชื่อกิเลสต่างๆความรู้ความโกรธความหลง มาณาทิฏฐิอาสวะอะไต่างๆที่เป็นชื่อของโลกเราเนี่ยสามารถแยกออกมาได้จากจิตให้บริสุทธิ์เรียกว่าวิปัสนาญาณเห็นไหมจากตัวสติตัวเดียวเนี่ยพัฒนาละเอียดลงไปเรื่อ ย, อยๆก็คือสตินั่นแหละเพราะฉะนั้นถึงเอาสติเป็นฐานส่วนจะแยกเป็นอะไรนึงขึ้นอยู่ความสามารถของเราที่จะเข้าไปเรียนรู้รับรู้ดังนั้นเวลาเรามีการบำบัดทุกขเวทนาทุกครั้ง เราตึงต้องตั้งใจใส่สติลงไปในการบําบัดเพื่อที่จะให้ตัวรู้ตัวเนี้ยไปพัฒนาเป็นสัมปชัญญะสมาธิปัญญาญาญญาณทัศนญะาณวิปัสนาญาณไปเรื่อยๆวิปัสนาญาณก็ามาแบ่งเป็นสิบหขั้นอีกเห็นไหมหลักวิชานะแต่ที่เราว่าลวกๆเอาไว้เนี่ยสมาธิแบ่งเป็นสามขั้นสมัสมปชัญญะสมัสมปชัญญะแบ่งเป็นสี่ขั้นอย่างเงี้ยสติแบ่งเป็นอีสีขั้นอย่างที่เราสติ ในกายในเวทนาในจิตในธรรมใช่ไหมแต่สัมผัสสีนี่หลวงพ่อยังไม่ได้พูดถึงเนาะแต่สติสี่ขั้นได้พูดถึงทุกวันวันนี้หลวงสัมผัสนะสี่ขั้นก็คืออันที่หนึ่งก็เรียกว่าศาตตะสัมปชัญญะความรู้สึกสัมผัสแปลว่าอะไรนะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้แบ่งเป็นสี่อย่างหนึ่งเรียกว่าศาตตะสัมปชัญญะแปลว่าอะไร แปลว่าการที่เราเคลื่อนไหวชีวิตจะทําอะไรต้องมีเป้าหมายสมมุติว่าเรานั่งตัวเนี้ยเราสื่อปวดหนักหรือปวดเบาเป้าหมายอยู่ที่ไหนปวดหนักปวดเบาเป้าหมายอยู่ที่ไหนอยู่ห้องน้ำนะฮะ อ, อ, อยู่ห้องน้ําทีนี้การที่เราจะยกตัวนี้ไปในห้องน้ําซึ่งหนักหลายกิโลมากใช่ไหมสามสิบสี่สบกิโลเนี่ยจะยกมันไปได้ยังไง อ่าเราเริ่มขยับแล้วใช่ไหมขยับแล้วก็เริ่มรู้รู้ว่าการเอาไอ้ความทุกข์หนักเบาเนี่ยเอาออกเนี่ยเป็นประโยช น, น์แน่รู้ประโยชน์และเป้าหมายที่จะได้เรียว่าศาสตร์อกะศสัมยุรู้ซะก่อนว่าประโยชน์มันคือเบาเนื้อเบาตัวอันที่สองสปายะสัมปชัาญญะจากจุดนี้ไปหาห้องน้ำเนี่ยจะไปสะดวกสบายได้ไงไม่ใช่ไปไปเตะแกว้วหรือไปไปดุสนุดดันลมอ่าไม่สะดวก รู้สึกลุกขึ้นได้สะดวกสบายพอจะลุกขึ้นลุกไม่ขึ้นตะคิวจับขาปวดแสดงว่าไม่สปายะแล้วใช่ไหมไม่ไม่สะดวกสบายจากตรงนี้จะไปอย่างสะดวกสบายได้อย่างไรและไปถึงห้องน้ำเร็วและถูกต้องไลไม่หลงทางเปิดไฟตรงไหนปิดไฟตรงไหนเรี้ยวตรงไหนอะไรต่างเนี่ยไปได้สะดวกชัดเจน้วดเดียวทันการเรียก ว, ว่าสปาย ะ, ส, ะ, ายะสัมปัญสิสาโคจระสัมปัญญะ ในขณะที่โคจรไปเนี่ยจะต้องรู้ด้วยว่าก้าวเท้าไหนออกก่อนเท้าที่ก้าวไปหนักหรือเบาเร็วหรือช้าแล้วก็ลึรกรู้ว่ากายส่วนไหนที่กาลังเคลื่อนกำลังไหวไปจิตทาหน้าที่รู้เป้าหมายแต่ต้องจิตต้องดึงนั้นจิตนั้นกลับมา มาทําหน้าที่ในการที่จะยกร่างกายนี้ไปอย่างสะดวกสบายแล้วก็ให้จิตมาโครจร อ, อยู่ในกายนี้เรียกว่าโครจรสัมปชัญญะนะอันที่สี่เรียกว่าอาสัมโมหะสัมปชัญญะอสัมโมหสัมปชัญญะคือไม่หลงลืมนะไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยยังสามารถนึกภาพย้อนจากที่ตั้งแต่แรกมาเนี่ยล้ลุกอย่างไร ยืนยังไรเดินยังไรลำดับเหตุการณ์ได้แต้แต่ต้นจนจบนะแล้วทีนี้พอเสร็จตรงนั้นพอไปนั่งปั๊บเนี่ยเป้าหมายก็คือจะต้องปล่อยหนักปล่อยเบาออกไปตั้งสัมปชญญะขึ้นใหม่ที่นี่ปล่อยอยังไงถึงจะสะดวกถ้าปล่อยไม่สะดวกไม่เป็นสัมปชย ญ, ญะโคจรสัพยาสัมปชัญญะก็เปไงเป็นโกรกไข้ไข้เจ็บเป็นโรควิศิดวงทวารต่ออเอาถ่ายไม่ออกถ่าย อ่าท้องเป็นเทาเป็นดนันเบงทะลุปูปังไ ป, ปไงเกิดโรคใหม่ขึ้นมาอีกไม่เป็นสปายะแล้วทีนี้เนี่เห็นไหมมันชื่ปฏิบัติต่อเนื่องกันไปทุกๆระยะแต่เราเคยเวลาเราไปห้องน้าเคยจับจับรายละเอียดแบบนี้ไหมเรียวกว่สญญาสามสปายะไม่ครบนะสามสปายะสี่ญญไม่ครบอาจจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเห็นไหมแต่ละตัวสปายะสี่ญญ 4, สมาธิอีกสมาธิสมญญา 3, มว่าไป แล้วที่นี้ตัวเฉพาะวิปัสนาญาณ16ละเอียดมากแต่ว่าเราไม่ต้องไปรู้รายละเอียดแบบนั้นแต่ทำให้ถูกต้องอกันเลยกันนะแต่ลักษณะวิชาการแยกอย่างนี้ๆนั้นเป็นเรื่องของวิชาการต้องการที่จะให้ผู้ที่ทำเนี่ยไปให้ได้ว่าตัวเองไปถึงขั้นไหนเท่านั้นเองแต่นั้นเวลารู้เนี่ยที่หลพ่อมาแยกเป็นแค่สามไม่ว่าระดับใดสติ หยาบกลางละเอียดสมาธิหยาบกลางละเอียดสมรยะหยาบกลางละเอียดปัญญาหยาบกลางละเอียดเอาแค่สานี่พอถ้าปฏิบัติได้สามันมีเท่าไหร่มันครอบคลุมทั้งหมดมันครอบคลุมได้ทั้งหมดบางทีเราดูแต่หยาบกลางดูไม่ได้หรือบางทีดูแต่กลางละเอียดดูไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องมาใช้อะไรใช้ความพยายามใช่ไหมไอความรู้สึกสบายมันรู้ไม่ชัดก็ให้มันรู้ชัดขยับหาดูมันโอ้ความรู้สึกสบายเวลาเปลี่ยนไปมันสบายนะละเอียดขึ้นมาสักพักเอาพอนั่งไปสักพัก เริ่มหยาบขึ้นมาก็ดูไปอย่างนี้ถ้าเราตามรู้ตามดูตามเห็นไปอยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นรู้ได้ทั้งหยาบกลางละเอียดชัดเจนความหยาบกลางละเอียดที่เป็นรูปเนี่ยมันจะมีผลเข้าไปจัดการที่นามได้ไหมเพราะมีตัวเวทนาเป็นตัวกลางใช่ไหมเมื่อเราจับที่เวทนาเป็นตัวการศึกษาเราก็เปลี่ยนเวทนาให้เป็นตัวสติ ได้ด้วยการรู้ในการบําบัดนั่นเองเมื่อการเข้าไปบําบัดด้วยความรู้ด้วยสติสัมยับปั๊บด้วยความรู้ตัวภั๊ตัวเวทนาก็กลายเป็นสติสัมปชัญญะนะเป็นสิอันนี้คือหมายถึงว่าในแง่ของแต่ละของนามนะมันมีรูปโอเคมีเรื่องที่จะสร้างขึ้นมาเป็นเวทนารู้สึก ล, ละแต่ความรู้สึกนี่เราไปตามเสียก่อนก็กลายเป็น สติสมิธะสมาธิปัญญาแต่ถ้าสมมุติว่าตัวรู้สติตามก็ไปไม่ทันตัวรู้ตามก็ไม่ทันมันก็จะเปลี่ยนเวทนาให้เป็นอะไรสัญญาสังขารวิญญาณอวิชาตัญหาวิหารไปตามลําดับเลยทีนี้เห็นไหมจุดเชื่อมต่อที่สําคัญคือตัวที่เวทนาเพราะนั้นที่เราบำบัดทุกเวทนาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะเปลี่ยนการบําบัดที่เป็นวิชาหรืออวิชาอยู่ที่เราแล้วทรงนี้ ใช่ไแต่เรามีวิธีเทคนิคต่างๆที่จะทําแต่ว่าเป้าหมายมันก็คือให้รู้สึกต่อจากเวทนานั้นให้ชัดเสมอเพราะมันมีตลอดการทํางานของตรลักษณ์อนิจจังทุกขังทำงานตลอดและมีผลผลิตออกมาเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอรูธกรมสุขเวทนาอนิจจังก่อให้เป็นสุขเวทนาทุกขังก่อให้เป็นอรูธกรมสุขเวทนาอนทุธขเวทนา อนัตตาก็ให้เกิดอาทุคคมสุขเวทนาเห็นไหมมีเหตุสุขทุกข์แล้วก็อาทุคคมมีสุขก็มาจากอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าบำบัดถ้ารู้จักสุขขังทําความสุขให้ถูกต้องความสุขก็กลายมาเป็นตัวศีลบำบัดตัวทุกขเวทนาให้ถูกต้องตัวทุกเวทนาจะกลายมาเป็นสมาธิบำบัด ทุกขมสุกให้ถูกต้องตัวทุกขเข้ามสุกก็กลายมาเป็นปัญญาสีลสมาธิปัญญามาจากไหนก็มาจากใจรักนั่นเองมาจากเวทนาสามนั่นเองมันก็พัฒนารายละเอียดกันไปทีถึงจะไปเชื่อมต่อ <c oughs> ตัวเวทนาทั้งสามเป็นเรื่องของกายใช่ไหมอ่าแต่พอมาเป็นเรื่องของจิตมันกลายเป็นสีนสมาธิปัญญาในเรื่องของกายเวทนาทสามคลอดมาจากอะไรกำเนิดมาจาก อันนี้ยังทุกขังหน้าตาอันนี้ยังทุกขังมาตราผลออกมาเป็นเวทนาทั้งสามเวทนาทั้งสามมีตัวรู้สึกเ ข, ข้าไปเป็นประสานเวทนาสามกลายเป็นตัวไตรสิขาจากไตรรักษ์กลายเป็นไตรสิขาเห็นไหมนี่คือความเชื่อมต่อของมันดังนั้นตัวหลวงพ่อต้องดูเวลาจะได้ไม่เร็จยไว่าวตัวที่จะเชื่อมต่อความอนนี้ยังทุกขังหน้าตาของรูปของนามมันจึงแปลไปลักษณะอย่างนี้ แต่ถ้าเราไม่แยบใครพอเราปฏิบัติวันทวันไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะเราขาดอะไรโยนิโสมนสิการวันนั้นที่เราเรียนจากวิชาศิษย์มาอยู่ในลำดับเพื่ออะไรว่าขอทบทวนอีกทีนึงว่าการยณมิตรก่อให้เกิดได้ยินได้ฟังเมือ่อได้ยินได้ฟังแล้วก่อให้เกิดศรัทธาศรัทธาที่ถูกต้องแล้วก่อให้เกิดสีสมิยะก่อนโ ย, ยนิโสมนสิการ โยนิโสใช่ไหก็เกิดคิดที่ไข้ครควนิเมื่อคิดใข้ควรวนแล้วก็เกิดได้สติสติสมรยยายมาเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการจรึงเราเชื่อมั่นว่าตัวรู้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาและความทุกข์ได้ทั้งกายและจิตแต่ทางกายนั้นเราไม่สามารถจะแก้ไขหรือบำบัดได้โดยสิ้นเชิงไม่สามารถจะทให้มันหมดไปโดยสิ้นเชิง เพราะมันเกิดจากกฎของธรรมชาติที่เราควบคุมมันไม่ได้แต่กฎของธรรมชาติคือใจรักอันนี้มันจะเข้าไปสู่จิตแล้วควบคุมได้ไหมได้ใช้อะไรใช้ตัววิชาเราจะใช้คําว่าสติเพราะในสติก็เป็นตัวหนึ่งของวิชามันมีในวิชามันต้องคอนเทนไว้ทัง้ง10อย่างใช่ไหมเราก็ว่าเพราะวิชาดัง น, นั้นที่จะทำวิ อาวิชาให้เป็นวิชาได้อย่างไรก็คืออาศัยตั้งแต่ตัวสติตั้งแต่ศรัทธาเป็นต้นไปศรัทธาแล้วก็ตัวโยนิสมนัิการสติสัมปยัญญะอีสีสังวรสุจิดีสสิ่ดประทาน4โพชง7จ็อริมัมงแป8แล้ไปเป็นวิชาเพราะฉะนั้นเราจะจับตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้แต่ว่าเราสมมุติว่าเอาสติก็แล้วกัน เพราะว่ามันง่ายดีเพราะเขายกสติมาเป็นหลักคือสติประฐานนะดังนั้นสำรวจให้ดีว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีอะไรไม่สบายถ้ามันไม่สบายเข้าไปบาบัดเข้าไปเรียนรู้เข้าไปแก้ไขอย่างมีความรู้ตัวมันก็เท่ากับเข้าไปแก้ไขบาบัดจิตไปด้วยนะแต่ถ้าหากว่าแก้ไขบาบัดไม่ถูกต้องด้วยอานาจของอวิชชาจิตของเราก็ได้รับอวิชชาไปด้วย นะอวิชาก็เป็นอะไรเริ่มเป็นสมุทัยแล้วใช่ไหมเริ่มเป็นสุธัยแล้วก็ไล่เลียงไปตามหลักของปฏิสุบัติอีกทีนี้ว่าสมุทัยให้เกิดของทุกขของทางจิตคืออะไรเพราะตัวไม่รู้ตัวเดียวแล้วก็ให้เกิดทุกทางจิตเมื่อเรารู้ชัดเจนอย่างนี้แล้วทีนี้เราจะทำไงให้มันเป็นจริงเราก็มานั่งทำอะไรส่วนใครจะรู้ไวรู้ช้ารู้เร็วรู้ลึกรู้ตื้นขึ้นอยู่เหตุปัจจัยอะไรต้องมีคุณสมบัติ ห้าประการซึ่งได้กล่าวไปวันก่อนแล้วหนึ่งต้องมีศรัทธาสองมีความเพียรสามสติ 4. ส, สมาธิห้าปัญญาเราเรียกว่าอินสีหนนส่ห้านะอีห้าต้องมีคุณสํันักปฏิบัติต้องตั้งต้งตงตงตงทนที่สมบัติ5้าประการนี้ก่อนต้องมีศรัทธาในการที่จะทําอย่างน้อยก็ศรัทธาใน การฟังสถานในครูบาอาจารย์สถานในวิธีการสถานในเพื่อนในฝูงสถานในรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องมีกอนเบื้องต้นเมื่อสถานเหล่านี้แล้วก็ลงมือทำลงมือทำดังนั้นในส่วนของการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเรื่องดูเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับร ะ, ะเบิดที่มันคอนเทนอะไรไว้แรงอัดในตัวมันนะ เมื่อถ้ามันทําให้มันระเบิดได้มันทําลายกิเลสได้มหาศาลเลยนะเข้าไปทําลายส่วนกิเลสได้ต่างๆ่าเราก็ต้องทําให้มันถูกตรงนั้นดังนั้นในการปฏิบัติประจําวันเราจึงไม่ต้องวิตกกังวลว่าถูกหรือผิดแต่ว่าเราดูว่าเราสังเกตเวทนาทุกเวทนาที่เกิดเนี่ยเราสังเกตได้ชัดหรือไม่ชัดสังเกตแล้วเราเข้าไปบําบัดแก้ไขมันด้วยความรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ตรงนี้มันจะตรงกันหมดเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงปัจจุบันโดยที่ไม่ต้อ ง, งสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ตัวรู้สึกตัวที่เราเอามาจัดการตรงเนี้เกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากวิธีการที่เราเรียกว่าสมถะวิปัสนาใช่ไหมวิธีการเพราะฉะนั้นตัวรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเป็นธรรมถะวิปัสนาแล้วก็ามาบัญญัติเป็นวิธีการเช่นความรู้สึกตัวเกิดจากลมหายใจก็เรียกอนาปนสติ และอนาปนาสติก็มีหลายสกุลด้วยนะมีหลายสำนักอีกอนะอนาปนาสติแบบยุบหนอพองหนออนาปนาสติแบบพุทโอะอนาปนาสติแบบนับลมหายใจอ น, นบบบ อ, รรอนาปนาติแบบบริกรรมอนาปนสติแบบสมมาธิหังมีหลายหลายสกุลหลายสำนักเราจะเอาแบบไหนแต่อานาปนาสติก็เรามาในอานาปนาสติเป็นหมวดหนึ่งเท่านั้นแต่ก็แยกหลายวิธี แต่อานาตสติก็ยังเป็นเรื่องของกายอยู่ใช่ไหมเพราะทางกายที่ฉนได้กล่าวว่ามันมี6แบบคือ 1. ลมหายใจ 2. องอิบอดสี่สิบทย่อย 4. ท่า4 5. อาการ 32. 6หกก็อสุพะเราจะเอาหมวดไหนขึ้นมาล่ะแต่สำหรับเราใช้ในที่นี้คื อ, คอเอา3าอย่างมาบวกกันก็คื อ, คอลมด้วยการเคลื่อไว อ, อิบท4ีด้วยอิยบอย่อยด้วยเอาสอย่างมาบวกกัน แต่อย่างที่สีเนี่ยเอามาทําตอนเช้าใช่ไหมอย่างที่ห้าก็เวลาไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมไม่ต้องไปนั่งเพ่งศพแล้วนะอัสสุภาเนี่ยไม่ต้องไปนั่งเพ่งศพนั่งดูศกมีเรื่องแทรกเข้ามานิดหนึ่งว่านี่พระในสายงานของวัดป่าเราเนี่ยเป็นชาวออสเตรเลียตอนนั้นมาพารู้เรื่องนี้ก็คือพาพระไปทุ่งดงที่วัดป่าโพธิญาสาขาที่แปดที่เขื่อนสิินทรจังหวัดอุบล อยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งแล้วก็ถามความเป็นไปไปมาของวัดตนน่นอนอาจารย์ <c oughs> บุญชูอยู่ปัจจุบันก็เป็นเจ้าวาดที่นั่นแล้วเมื่อก่อ น, นมีเจ้าวาดที่ชาวออสเตรียมาอยู่ที่ชื่อท่านนี้นะฮะเวลาชาวบ้านตายขึ้นมาเนี่ยพ่อป่าช้ามอยู่ในวัดเพราะว่าที่กว้างถึงสองพันกว่าไร่เป็นป่าใหญ่มากสองพันกว่าไร่ยอยู่ข้างเขืออ่อนซีริลลอนเอามาก็พากันไปทุ่งที่นั่นเดือนหนึ่งก็ เจะว่าท่านนั้นเป็นชาวออสเตรเลียเนะี่ยพูดภาษาไทยได้เก่งเนะี่ยแล้วก็เวลาชาวบ้านตายด้วยโรคอะไรก็ตามจะตายหนุ่มตายแกย่ตายเท่ากันตามก่อนที่จะเผาท่านขอว่าก่อนที่จะเผามาไว้ที่ประชานี่ก่อนทักสามวันถึงห้าวันค่อยเผาในช่วงสาวันหวันนี่ยท่านจะพาผ้าเด น, นไปพิจรณาต้องไปดึกดึกเลยนะประมาณห้าทุ่มตีหนึ่งอ่ะไม่ได้ไปตอนกลางวันอ่ะ อ่าที่หนึ่งที่สองเนะี่ยไปพิจารณาศพไปพิจารณาความกลัวผีเป็นยังไงนะเขเรียกว่าพิจารณาสุภาษะทาอย่างเนี้ยทุกครั้งจนกระทัง่งต่อมาสมัยนั้นก็พวกคนลาวเขาลบกันใช่ไหมคนลาวก็แตกเข้ามาทางค่ายทางช่องเม็กทางอุบุนนะทางจําปายศักเข้ามาทั้งนั้นปรากโกดอกครอบครัวบ้านแตกสาหรายขาดมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในตรงนั้นเขาเรียกเป็นสานีไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย ก็มาอยู่ในบ้านนั้นร้องไห้ร้องห่มทุกวันเพราะว่าทั้งลูกทั้งสามีถูกฆ่าตายไม่รู้ซุนหายไปไหนทีนี้ท่านนี้ก็ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้าน เ, าเจ้าหน้าที่ของเขือนนั่นแหละก็ไปเห็นโยมนี้ใส่บาตด้วยน้ําตาทุกวันก็สงสารพรแนะแนะให้โยมปฏิบัติธรรมโยมก็ปฏิบัติธรรมไปสบายดีแล้วทีนี้อันนี้ที่ความใกล้ชิดความเอื้อเฟื้ออะไรต่าง มันก็เลยพันกันไปพันกันมาท่านก็เลยสึกไปเลยได้สิบแปดษาเลยนะสึกไปดูแลยมผู้หญิงคนนั้นรับพี่ชอบมีเมตตาสูงมากเหมือนนั่นเลยเอาไปดูแลรับผิดชอบอย่างดีทีนี้ต่อมาท่านจุคุประยุทสงสารเนะพราะท่านเป็นชาวตา่างประเทศภาษาเก่งท่านก็เลยมาทําหน้าที่เลขานุหนังสือพุทธธรรมเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมีมือของท่านนะมานจะเห็นว่าจะทําอุสุภะอสุภะนี้กันไหนาก็ตามนะแต่ว่าไอ้ความที่ขาดสติขาดตรงเนี้ย ที่ไม่ไหวพอนะมันก็จะต้องตกไปสู่จุดนั้นจุดได้พราะนั้นเราจะเห็นว่าตัวสติที่เกิดโดวยวิปัสสนากับสติที่เกิดโดยสมถะเนี่ยมันมีความแหลมคมต่างกันการเจริญสมถะคือลมหายใจลน้นที่ได้รูปแบบต่างๆลมหายใจที่เป็นสมถะก็มีลมหายใจที่เป็นวิปัสสนาก็มีลมหายใจที่เป็นสมถะคือมีบัญญัติเข้าไป คือนึกคำพูดนึกถึงภาพนึกถึงที่เป็นรูปเข้าไปะนะแล้วบริกรรมแม้แต่นับก็เป็นบริกรรมอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอานาปณะสติที่เป็นสมถะนะทีนี้อานาปณะสติวิปีตวิปีนมิตรสนาก็คือไม่ต้องใส่บัญญัติเข้าไปให้รู้ว่าหายใจเข้าให้รู้าหายใจออกเฉยๆให้รู้ลึกรู้ตื่นเท่านั้นเองไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปแล้วไม่ต้องเพ่งให้รู้เท่าที่รู้ แต่ไม่ใช่รู้ในส่วนนั้นส่วนเดียวในส่วนอื่นก็ต้องรู้ด้วยนะเขาเรียกวลมหายใจอานาปานสติก็เป็นส่วนย่อยของอิบุตรย่อยเรียกว่าสัมปชัญญปะปปะภาดังนั้นถ้าว่าไปเนี่ยทั้งหกหมวดเนี่ยมารวมอยู่ที่แค่อิบุตรใหญ่กับยอิบุตรย่อยในส่วนไหนที่สุดเกี่ยวข้องในรูปในส่วนอื่นก็เป็นอิบุตรย่อยเข้าไปรู้แค่ตัวสัมปชัญญะนี่ก็รู้ได้ทั้งหมดละเพราะลมหายใจเข้าออกก็เป็นสัมปชัญญะคือเป็นอิบุตรย่อยเข้าออก ก็เป็นวิปัสนานะเพราะฉะนั้นสติถ้าไปเป็นสมถะมันก็ออกมาเป็นสมาธิถ้ามันจะไปเป็นวิปัสนามันก็ออกมาเป็นสัมปชัญญะนะเพราะสมาธิบางทีไม่ต่อไปสู่วิปัสนาแต่สัมปชัญญะต่อไปสู่วิปัสนาโดยตรงมันจึงเป็นวิปัสนานะแั้นเราจะเห็นว่าการทําตัวรู้มันก็ได้ผลแตกต่างไปว่าตัวรู้นั้นเป็นตัวรู้ของสมถะหรือเป็นวิปัสนา ถ้าเป็นตัวรู้ของสมถะก็ทําให้จิตสงบจิตนิ่งจิตสบายไม่ต้องปุงแต่งอะไรก็ได้เข้ า, าละเอียดเข้าไปก็เป็นชาน้นชั้นนั้นชั้นนี้ใช่ไหมตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่ชั้นแปดไปเรื่อยๆก็ด้วยอํานาจของสติไปสู่สมาธิเหมือนกันแต่ถ้าหากว่ากระจายตัวสติไม่ให้มารวมกันแต่กระจายไปทั่วเนื้อทัว่วตัวเป็นสัมปชัญญะมันก็ก่อให้เกิดการรู้ตัวกว้างขึ้นนําไปสู่การรู้ทัว่วก็คือตัวปัญญาเห็นไหม ว่ า, าการแยกสายว่าสติมันก็เป็นได้ทั้งทั้งสองอย่างทั้งสมถะและวิปัสสนาส่วนมันจะไปแยกไปสายสมถะวิปัสสนาขึ้นอยู่ตัวแปลสองตัวคือสมาธิและสัมชัญญนะนะดังนั้นเวลาเราทําความรู้สึกตัวเนี่ยเราต้องรู้ให้ใช้ว่าเราเพ่งไปไหมถ้าเราเพ่งมันกลายเป็นสมถะถ้า ร, ารู้เฉยเฉยมันกลายเป็นวิปัสสนาและรู้เฉยเฉยแบบไม่มีบัญญัติด้นะคือรู้สักแต่ว่ารู้นั่นแหละ แต่พอเรรู้แบบมีบัญญัติคือรู้ว่าสายย่างขวาย่างรู้ลมเข้าลมออกตามลมแล้วใส่บัญญัติลงไปว่าต้องพูดคำนั้นคำนี้ก็เป็นสมถะไปเพราะดังได้กล่าววันก่อนว่าสมถะนั้นเกิดจากรูปใช่ไหมแต่วิปัสนาเกิดจากนามวิปัสนาเอานามเป็นอารมณ์สมถะเอารูปเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรากออ็มั่นใจขึ้นว่าในขณะที่ยกเนี่ย ฉันไม่ได้ยกขานะยกอะไรยกความรู้สึกนะแต่ว่าขานี่เป็นวัตถุหยาบคือรูปภายนอกใช่ั้มแต่วัตถุภายในที่มันออกไปคืออะไรที่มันเปลี่ยนไปคืออะไรความปวดขาความหนักขาเนี่ยเป็นรูปภายในเราเรียกเวทนาไอ้ขาทั้งท่อนทั้งดุนนี่เป็นรูปภายนอกแต่ขาภายในก็คือความปวดก็เป็นรูปอันหนึ่ง ใช่ไหมแต่การเข้าไปรู้ว่าการปวดขาหายไปเนะี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามแล้วใช่ไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันรูปมันมีสองชั้นรูปภายนอกและรูปภายในไอการที่จะรูปที่จะไปเปลี่ยนเป็นสติได้ก็อาศัยรูปภายในคือดูเวทนาที่มันหายไปนะเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เลยเวลาไปทํามันก็เลยไม่ยากที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดมันเห็นภาพใช่ไหมมันไม่ได้ซับซ้อนลึกซึ้งอะไรนะแต่ว่ามันมันอาจจะละเอียดไปนิดนึง นั้นเวลาไปปฏิบัติก็ให้สรุปง่ายๆว่าดูหยาบกลางละเอียดหยาบเป็นลักษณะไหนก็คือมันหนักมันน่วงมันถวกมันทับมันไม่สบายมันทนไม่ไหวมันหยาบเลยใช่ไหมกลางเป็นยังไงกลางนี่พอทนไหวละเอียดนี่ไม่ต้องทนทนได้ง่ายๆเพราะนั้นเขาว่าสุขกับทุกนเนี่ยมันมาลากจากลากักษั์เดียวกันลักศัป ย, ยังไง มาจากคําว่าคมะธาตุทุกมันมีคําว่าขอไขกระรนใช่ไหมขักขะขมพอไปลงปัจจัยมันก็เหลือมาจนนั้นเลยหายไปลงที่ได้กล่าวไปวันก่อนว่าลงนะลงจีปัจจัยมันถูกกลืนธาตุบาง้าบางตัวเวลาลงแล้วไอ้หลังธาตุหายไปเลยนั้นคือคมะธาตุแปลว่าทนแต่ทุกข้างหน้านี่มันเป็นซัฟริกสู่ข้างหน้าเป็นสัฟฟริกไม่ใช่ธาตุ ทุกข์คมะทนได้ยากสุขคมะทนได้ง่ายเพราะฉะนั้นทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ต้องทนแต่อันไหนทนได้ยากหรือทนได้ง่ายเท่านั้นเองใช่ไหมก็ทุกข์คำว่าสุขยังไม่มีใช้ตามหลักวิทยาศาสตร์ว่ามันมีแต่ร้อนเย็นไม่มีใช่ไหมเพิยงแต่เอาคําร้อนออกยเย็นแล้วสมมุติว่าเยน็นเพนียงแตเอาทนยากออกมันทนได้ง่ายเราสมมุติว่าสุขท่านเอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงแต่ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปถ้าไม่มีทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับฟังยากไหมออยากน่ยดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกนะแต่สนุกตามภาษาหลวงพ่อนะไม่สนุกหรือบางทีเราจะเป็นเรื่องไม่สนุกสําหรับเรานะเพราะนั้นก็เลยสนุกได้ทั้งวันกับเรื่องเหล่านี้ก็มีความสุขในการทําเรื่องเหล่านี้มันเพราะมันได้เห็นทุกข์อ่ะมัได้เห็นทุกข์มันสุข มันก็มาเองใช่ถ้าเราเห็นทุกข์และสุขมันจะมาเองเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลานั่งไปเนี่ยถ้ามันทนไม่ได้ก็ให้เอาออกเอาแค่ทนไดนะ้แต่บางครั้งเนี่ยกิเลสมันไหลเข้าสู่จิตนะสบายเกินไปมันมีแต่เรื่องคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ใช่เพราะสติยังไม่เข้มแข็งไม่สามารถสกัดกัน้นวันทีสามารถสกัดกั้นเฉพาะหยาบแต่กลางสกัดมัน กันไม่ได้คือบางทีความสามารถสกัดกันในเฉพาะกลางแต่ละเอียดสกัดกันไม่ได้มันก็มันไปเกิดความเพลิเพลินก็เผลอคิดใช่ไหมเพราะเราไปยึดไอ้ความสุขเป็นของเราความสบายเป็ของเราปับ๊บมันก็ไม่มากําหนดสิพอไม่กําหนดปับ๊บมันก็ไปสร้างความคิดเพราะจิตมันจําเป็นต้องมีที่อยู่ถ้าไปอยู่ที่กายก็อาศัยการดูเวทนาเป็นหลักแต่เราไปดูสุขเวทนาซึ่งมันไม่มีอะไร คิดดูยากอ่ะมันละเอียดเกินไปใช่ไ้ยมันก็ไปไปอยู่ที่จิตพอไปที่จิตปั๊บมันกลายเป็นความพอใจและความพอใจก็่อให้เกิดความเพลินความเพลินก็่ะให้เกิดความเผลอความเผลอก็ให้เกิดความคิดความคิดก็จะให้เกิดการปรุงแต่งไปตามลำดับเราทีนี้ทีนี้มันเผลอมันเพลินมันไม่คิดทีนี้เป็นอะไรมันง่วง นี่คือปลายปลายทางของมันอยู่ตรงนั้นแหละอะมันง่วงแล้วจะเห็นว่ามันมีเส้นทางของมันนะแต่ไอการตามรู้ของเราเนี่ยจะละเอียดมากพอไหมนะนั้นรายละเอียดวันนี้ต่างๆบางทีคนที่จะมาขยายก็อาจจะเป็นอาจารย์อะไรนะที่เราพูดเมื่อวานวันนี้ใช่ไหมอาจารย์ธิรยุทธ์นะจริงเมื่อวานเราแจ้งผู้ปกครองไม่ทันนั้น่ามาฟังนะคนที่ยังไม่เคยยังไม่ลงมือปฏิบัติแล้วมาฟังแล้วอาจจะได้ ลงมือปฏิบัติได้นะแต่สําหรับเราก็ได้ได้เพิ่มรายละเอียดปฏิบัติง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะก็คิดว่าในสิ่งที่กล่าวมาจนเช้าทั้งหมดเนี่ยในสําหรับภาคปฏิบัติวันนี้น่าจะเพียงพอคือไปซ้ําดูของเก่านั่นเองแต่ดูให้ละเอียดขึ้นให้ถีขึ้นเวทนาที่เรามันบังคับเรามาหลายวันมาถึงวันนี้เราน่าจะเบาบางแล้วใช่ไหมพอรู้จักวิธีบําบัดมากขึ้น ถ้าคนไหนยังมีเวทนาหนักนวงทวงทับอยู่แสดงว่าสองสาวันที่ผ่านมาไม่ได้เรื่องบำบัดเวทนาก็ยังไม่เป็นเลยเหมือนกันดังนั้นลองลองดูเดินก็อย่าเดินจนเกินมันเพลินหรือมันหนักเดินพอทนได้ใจหลวงพ่อค้างประเด็นว่ามิคิวว่าในกรณีที่จิตเราแสบใส่ปรุงแต่งฟุ้งซ่านคิดมากใช้เวทนาบังคับมันคือ เ, เวทนาเอาหนักๆเลยถ้าแกคิดอยู่ชันจะนั่งอย่างนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนนะถ้ายังคิดยังปรุงแต่ง เขาเรียกว่าถ้าเป็นลูกก็คือตีมนันอ่ะพูดก็แล้วบอกก็แล้วเตือนกันแล้วอะไรก็แล้วไม่ฟังลงโทษตีอย่างเดียวเอาให้หนักเหมือนกันจิตของเราบอกอย่าให้มันคิดอย่าบุกแต ม, มก็หาเรื่องบุกแตกอยู่ได้ใช่ไหมก็ ต, มตีมันหน่อยเอาอะไรตีเอาเวทนาตีเไทลานี่เหมือนไม่เร็วนะนั่งจนมันปวดที่สุดเลยดูมันจะหยุดคิดไหมเออคิดเหมือนกันคิดในทางไม่ดีทีนี้ เอากูมานั่งทรมานทำไมอย่างไปทางนู้นเลยนีคิดไปอีแบบหนึ่งเลยนกูไม่น่ามาเผลอตัวมาเลยกูถูกหลอกหรือเปล่าเนี่อะไรคิดไปอีกแบบนึงก็เพราะทุกขเวทนาบังคับได้มั้ยอ่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าหากว่าเราทําโดยละเอียดแล้วหลวงพ่อว่าไม่มีใครทุกข์หรอกนะไม่มีใครทุกข์มันมีแต่ทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์อ่ะอ่าหลพ่อไม่ใช่ไม่มีใครทุกข์นะคือไม่มีผู้ทุกข์ทุกมีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์นั่นเองนะอ่แล้วก็ ไม่มีผู้ทุกข์เราสบายทุกข์มันก็มีแก้ไขมันไปตามเรื่องตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเองมันก็เกิดแต่ลูกนามที่เข้าถึงเราไม่ได้ละเพราะเรามีตัวกั้นที่ดีใช่ไหมวันนั้นที่เรามาสร้างณนะวันนี้คือมาสร้างตัวนามลาวบดีเวียเยย์ชันสเตอร t e d t ด d a อัน f o r t u เ a t e ร y นะ so you need to make appointment with your friend you need to come to early เปนเช้าเป็นเรื่องที่ดีก็น่าจะแปรนะก็เข้าใจทอไลอ นั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําตั้งแต่เด็กๆไปเลยคนจะมีพื้นฐานความรู้ลงตั้งแต่เด็กๆไปเลยเพื่อโตมามันจะได้ไม่ทุกข์ใช่ไหมโตมาก็เป็นผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติกับประเทศชาติไปนำความสุขสงบเพื่ตามมานะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุทนาสาธุความตั้งใจที่จะศึกษ า, เ, าเรียนรู้วิชาดับทุกข์ให้มันเห็นชัดแจ้ง เพื่อจะนำไปใช้บำบัดทุกบำรุงสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองโดยการทุกคนทุกท่านเถิ